ทำไมจะต้องปล่อยชีวิตให้จมอยู่กับอกุศลเป็นปีๆนะเที่ยวด่าคนอื่นเขาได้อะไรขึ้นมาได้อากุศลขึ้นมาไได้โทสะได้อะไรขึ้นมาวิบากที่จะเกิดขึ้นก็มีอีกนะเนี่ยเขาคงเริ่มมีปัญญาแล้วว่าด่าแล้วเมื่อยนี่ปัญญาขั้นต้นด่าแล้วเมื่อย <c oughs> ปัญญาขั้นสูงขั้นกลางขึ้นไปนะก็ เ, เห็นว่าโอดา้ด่าแล้วกิเลสเกิดนี่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 มาไหว้มนุษย์ตัวเล็กนิดเดียวเหมือนแมงวันนะก้มหน้าพูดด้วยเมื่อยคอนี่ว่าอย่างนี้นะในสุดโดนอีท่าไหนก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะมาะพระพุทธเจ้าท่านก็ขยายตัวของท่านใครเคยเห็นพระนอนมัน้งพระนอนก็ทําทใหญ่ๆรู้สึกไหมพระนอนไม่ค่อยทําองค์เล็กๆน้อยๆเหมือนพระนั่งทำใหญ่ยาวเป็นเส้นๆเลยจริงๆแล้วนอนลืมตาด้วยเห็นไหมเคเรียกปางทรมานอรารวักกยัก